อ่าฉะนั้นเหมือนกันแลตถาคตย่อมได้บุรุษที่ควรฝึกนะะต้องต้องเอาแบบไม่ใช่ถ้าถ้าเป็นคนฝึกมานะมามาพิการมาก็ทํางานไม่เสขตงานเนะี่ยก็ต้องหาม้าอาชานในใช่ไหยม้าตัวประเสริฐพระองจะฝึกบุรุษก็ต้องเป็นบุรุษที่สมควรฝึกแปลไ ป, ไปถ่ายท ย, ยว่าพุทธเวไนคือเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าฝึกได้นะพระองเนี่ยคานวณดูก่อนว่าฝึกได้หรือไม่ได้เลย ถ้าอาจารย์ฝึกมานะไม่ใช่โอ้โหได้มา้ามาก็ฝึกทุกตัวไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะเลือกดูก่อนใช่ไหมม้าตัวนี้เขามันฝึกได้ไหมถ้าดูเขาฝึกไม่ได้เขาก็ไม่รับแต่นี่ดูเขาเออฝึกได้ก็เลยเอามาฝึกนั่นแหละก็เริ่มต้นแนะนําอย่างนี้ว่าดูก่อนพิสุนะก็คือแปลว่าบวชมาเรียบร้อยแล้วมาเถอเธอจงเป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยปาติโมคขาสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร อ, อยู่จงเป็นผู้เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกคาบททั้งหลายเถิดนะชั้ น, น, นอาขึ้นต้นด้วยศีลเ น, นี่ยนะจ่าตุปปริสุทธิศีลมาแล้วด้วยบทเพียงเท่านี้ใช่ไหมดูก่อนพรามณ์ในเมื่อภิกษุเป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยปาติโมก ข, ขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร อ, อยู่ เป็นผู้เห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมมาทานศึกษาในศิคาบททั้งหลายแล้วแตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นคือนะต้องคุณธรรมจนถึงขนาดว่าเห็นอบัตทุกกฎใหญ่เท่าปาราชิกก่อนคือหมายความว่าจะเดินเวกจีวอนกับการไปไปลักของไม่ต่างกันเรียกว่าเวกจีวอนก็คือเวกให้ขึ้นนะนเคยเห็นนะ ก็ถลกจีวรขึ้นอ่ะเพื่อจะพาดบานเนี่เวลาเข้าบ้านอ่ะนั่นเขาเรียกว่าวอกจีวรเหมือนกั น, นเห็นว่ามีโทษพอๆกับปาราชิกได้ก็โอต้องเป็นปริมนทนเพิ่งทำศึกษาว่าเราจากักนุ่งเป็นปริมนทนเพิ่งทำศึกษาว่าเราจักผมเป็นปริมนทนเพิ่งทำศึกษาวา่าเราจักสารวมดีไปในละแวกบ้านอะไรพวกนี้ต้องเขาเรียกว่าจตุปริสุทธิ์ที่ศีลดีแต่ยกมายกเสขขยวัตมา <único S 1> ถ้าเสขขยวัตรไม่ได้อยากคิดนะว่าแอบปราชิกจะได้ พระองค์บอกว่าถ้าอภิสมาจารข้อประพฤติเหล่านี้ไม่ได้อย่าคิดว่าปล า, าชิกจะรักษาได้นั่นแหละพระองค์บอกไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสก็พอฟังคำนวณนี้นะแตมาคิดเอาเองว่าอ๋อก็บอกว่าถ้าอาบัตเล็กๆน้อยๆทําไม่ได้ปาราชิกที่เขายังไม่ทําเพราะยังไม่มีโอกาสอันนี้คิดเองเนะท่านห่นมยังดองยิ้มพักวสุภาพแล้วใช่ไหมครับอ๋อต้องต้องดูว่าสถานที่ะนะมายครามว่าถ้าออกจากที่พักมาเนี่ย แล้วถ้าเดินตามถนนในเมืองอย่างนี้เนี่ยต้องห่มอย่างนี้แน่นอนใช่ไหมครับถ้าเป็นภิกษสูเนี่ยจะต้องเรียกว่าปิดคอน ะ, อะปิดลุมคอถ้าผมอย่างอื่นไม่เหมาะคือต้องต้องไปดูพระวินยัยนนะนะนะเอาตามพระวินัยอย่างเดียวเป็นไปเพราะว่าข้อนี้เนี่ยมันเป็น ค, ค่ะเป็นระเบียบที่บอกว่าเธอมีเพศอย่างนี้เธอต้องทําตัวอย่างนี้นะถ้าไม่ทําตัวอย่างนี้เธอจะไม่เจริญในศาสนานี้ทีนี้ถ้าศีลบริบูรณ์แล้ว บอกว่าดูก่อนพิกษุมาเถิดเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทาวารในอินทรีทั้งหลายนะเธอเห็นรูปด้วยจักูุแล้วจงอย่าถือเอาโดยนิมิตอย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจกักขุนศีอันมีการเห็นรูปเป็นเหตุซึ่งบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่พึงถูกอกุศลบาปประธรรม คืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษาจาักขุนซีถึงความสำรวมในจักขุนสีเธอดนเรื่องทาวานตาเนี่ยนะอย่าถือโดยนิมิตนิมิตมีกี่อย่างสามอย่างหนึ่งสุภานิมิตนะเห็นแล้วสวยเออเนี่ยเรียกสุภานิมิตอ่ะจิตชนิดไหนที่เห็นว่าสวยส่วนใหญ่โลภะนะเว้นไว้แต่เมตตา สองปฏิฆานิมิตอ่านเนี่ยปฏิฆาก็คือแปลว่าไม่ชอบอ่ะแปลจิตขณะนั้นต้องเป็นโทสะเพราะเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่ดีสามอุเบขานิมิตคือเห็นแล้วเฉยอะ่ะเห็นกาแพงนึกคิดอะไรบ้างไหมเสียใจยมีไหมชอบมีไหมต้องไม่น่าชอบอะนะเพราะเราไม่ค่อยเกี่ยวกับเรานะเราก็เฉยเฉยในเรียกอุเบขานิมิตเห็นใบโพแล้วคิดยังไงบ้างนะถ้าไม่ศรัทธานในไม่นึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆนะ ใบโพก็ใบไม้ใบหนึ่งเท่านั้นแหละไม่ว่าใบไม้เป็นที่เคยอาศัยพระผู้มีพระภาคเคยอาศัยตรัสรู้นะเสร็จแล้วสมณัจะเกิดแต่ถ้าธรรมดาทั่วไปก็เฉยหรือเห็นเดินผ่านมาเนี่ยถนนลาดยางใครมองไม่เห็นบ้างมีนะเห็นแต่คิดยังไงส่วนใหญ่เฉยใช่ไหมเป็นอุเบขานิมิตอุเบคานิมิตจิตประเภทนั้นก็คือส่วนใหญ่เป็นมโมหะ โ, โอนะ่ารอภิชาตไปกินอีกแ呗 บาปวิชาบาปไหมบาปเงี้ยนะไหนก็คือเห็นแล้วยังไงอ่ะไม่ถือโดยนิมิตสามอย่างนี้แปลว่าก็คือเห็นยังไงแล้วจิตกุศ ล, ลจิตจึงจะเกิดขึ้นได้อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นยังไงจึงจะเป็นทานกุศลเห็นยังไงศีศีลกุศลจึงเกิดเห็นยังไงภาวนากุศลจึงเกิดนั่นแหละมันจะเริ่มมากข้อปฏิบัติ ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ยินดีอยู่เพียงแค่ศีลเพราะศีลเป็นแค่สเก็ดของพรหมจรรย์เท่านั้นเนนะนองเพราะพระองค์จะต้องวางพื้นฐานว่าเพื่ออรหัตธรรมไม่ได้วางพื้นฐานว่าเออเอาแค่ศีลนะตายแล้วจะได้ไปสวรรค์เ พ, พราะพระองค์วางพื้นฐานอย่างดีเลยเบิือนกับเพราะมาไปไปที่กรุงเทพนะเห็นก็ตอกเสาเข็มนะมอะไรจะขนาดนั้นนะเราก็คิดภาษาเราอ่ะนะตาคนบ้านนอกอะ่ะทําไมเขาเอาเข็มต้นใหญ่กว่า น, นี้ โอมตอกอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนในสร้างตึกหลังเดียวอะเอากันขนาดนั้นเลยก็ตอกอยู่นั่นแหละไม่เห็นแต่สัก ท, ทีตอกเข็มนี่เกือบเปีอะเป็นปียเปียแล้วก็ลำพนนันอย่งเดี๋ยวก็ดังแล้วตัง้งตั้งอยู่นั่นแหละจัดจ้านนะดูเหมือนกับไม่มีค่าเลยตามภาษาของเราแต่เขามันมีความสําคัญมากถ้าเข็มไม่ไดีตึกร้าวกศีลเหล่านี้ถ้าไม่ดีนะถ้าตอกย้ำไไม่ดีเพียงพอนะกูศนลจิตร้าว เมตตาเนี่ยร้าวเลยนะเจริญได้พักหนึ่งเสร็จแล้วก็ร้าวแล้วนั่นแหละถ้าเมตตาหรือพวกภูสรลจิตส่วนอื่นๆร้าววิปัสสนาก็ร้าวไปด้วยหรืออาจจะไม่ทันเกิดเลยพังไปก่อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องทางตานี่จะต้องเรียกว่าพิจารณาเป็นอย่างดีเลยอ่าส่วนหนึ่งนะถ้าหากว่าการสํารวมจากขุนศีก็คือเห็นแล้วมีสติสตินี้ก็คือเขาบอกว่าอุปมาเหมือนกับสตินะ เหมือนกับขุนคลังของพระราชาซึ่งขุนคลังเนี่ยรู้ได้เลยว่านี้ทรัพย์สินของพระราชาเนี่ยส่วนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ อ, นอันนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินอันนี้ไม่ใช่ประโยชน์อันนี้เนี่ยทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่ขุนคลังเนี่ยเขาเขาดูแลอย่างดีเลยอะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ในเรื่องทรัพย์สินชั้นใดสติก็จะมีหน้าที่คล้ายๆกันมองแล้ว นี่เป็นกุศลนะนี่เป็นอกุศลเขาสามารถแยกแยะผลดีผลเสียได้ในขณะนั้นๆ น, น, นี้เป็นกิจของสติถ้าปัญญาปัญญานี้จะเลยไปที่กรรมสกตาเป็นต้นต่อไปเรื่องของเหตุเรื่องของตัดใจเรื่องของอะไรนั่นแหละมันจะต้องเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของการไม่ประมาทนี้ต่อไปนะเธอได้ยินเสียงด้วยโสตะแล้วนี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกัน อย่าถือโดยนิมิตอย่าถือโดยอนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสำรวมโสตินสีอันมีการได้ฟังเสียงเป็นเหตุซึ่งบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่พึงถูกบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษาโสตินสีถึงความสำรวมในโสตินสีเถิดคือแปลว่าชาวณจิตที่ต่อจาก อ่นนะะเรียกว่าชาวนาจิตทั้งหมดนะซึ่งอ่าอาศัยโสตวิญญาณเป็นเป็นทวารโสตภาษาทะเป็นทวารให้จิตเหล่านั้นเกิดในวิถีเนี่ยชาวนะนั้นต้องเป็นกุศลนั่นแหละถ้าคนที่ได้ยินเสียงปั๊บนะชาวนะจิตในขณะที่ได้ยินเสียงเป็นกุศลคนนั้นแหละมีเรียกว่าส้ำรวมหูนะแปลไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่ต้องฟังเลยนะถ้าเป็นพระเนี่ยเขาบอกว่าอย่าฟังตั้งแต่ต้นแล้ว นึ่งอย่าฟังอะไรบ้างพระห้ามฟังมีไห ม, มนีเช่นเขากําลังจะทะเลาะกันภิกษุสองลูกเราจะไปฟังดูให้เขาว่ายังไงบ้างนี้ไม่ได้นะเป็นอันบัตรนะเขาะทะเลาะกันเดี๋ยวไปหาข่าวนะพวกหาข่าวไปแอบดิสกุติข้า ง, างกัลวิซิปอะไรกันหาข่าวไม่ได้นะเป็นอันบัตรหรืออีกอย่างหนึ่งฟังบางอย่างนะฟังไม่ได้เช่นฟังฟังทาทันนาพวกนี้ไอะไรนะพวกเพลงพวกไร ก็ยังเรียกชื่อไม่ถูกเลยแต่แดงว่ไม่เก่งตรงนี้แล้วก็ท่านดูจีกาท่านดูตรงไหนนะบาปนะท่านดูไม่ได้นะอบัตนะเข <อ S 1> าหามนะอาบัตยังไม่อบัตแต่ว่าใจถ้าเป็นบาปก็เป็นออืถ้าสุภานิเมิตก็โลภะเกิดโลภะบาปหมดนะโลภะเกิดกับไม่ว่าจะเป็นอนักบวชเป็นคารวะบาปหมดแหละนะอันที่จริงนะครับพูดถึงว่า อตัวศีลนะเป็นตัวกําหนดอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นสมมติว่าศีลแปดนี่นะครับศีลแปดเนี่ยเราก็อเราก็เว้นจากการดูฟอนดาการการละเล่นการอะไรนี่นะเจอนะอันนี้ก็หมายความว่าตัวศีลเนี่ยก็เป็นตัวทําให้เราเรามีอินทรีย์สังวรบางส่วนแล้วอย่างอย่าๆ<า>ถูก<า>ไหมครับเจอนะคือถ้าเราถือศีลแปดเนี่ยนะถ้าหากว่าเราดูทีวีอ่ะ แมเพลงสุนทราพรเพราะเนาะถ้าหากว่าก็เพราะอเมื่อคืนนี้กมฟังอ่ะนะเพราะจริงๆเลยเพราะผมพยายามสังเกตนะไม่ให้เป็นอกุศลนะไม่ให้ชอบไม่ได้ครับไม่ได้ครับยังได้เย็นเสียงนั้นเป็นเห็นเห็นเห็นเอรูปร่างเห็นหน้าตาร้องหากัดกริยาร้องเพลงสุนทราพรที่เราติดใจมาตั้งแต่หนุ่มนู่นนะสะสมมาตั้งแต่โน่นนะ นะโอ้ยแล้ว เ, เราสังเกตดูจิตนะว่าจิตเราเนี่ยเป็นโลภะไห ม, มเห็นเลยว่าเราจะห้ามไมา่ให้มันเป็นโลภะนี่ไม่ได้เด็ดขาดเลยมไม่ได้เพราะว่าอารมณะปัจจัยมันแรงเหลือเกนอเินอารมณาที่ปฏิด้วยเป็นอารมณาที่ปติด้วยแล้วก็เอา้าชอบอ่ะ น, นะ<ม>ถึงรู้นะโลภะมันก็รู้เคยได้ยินนะ<ม>เขาเขามีนะ คนถ้าไปชอบการปรับเนี่ยมองเห็นปับ๊บเอ้รู้นะว่าตัวเองเนี่ยชอบถึงรู้แบบนั้นก็ไม่ได้แปลว่ารู้ด้วยสตินะก็สังเกตดูอ่ะนี่มันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่ง น, ะนี่เป็นอกุศลอย่างหนึ่งนะใช่แต่ถ้ามีการพิจรารณาลักษณะนี้นะจึงจะเป็นเรื่องของมันเป็นอกุศลอย่างหนึ่งอนะ่ะไม่ให้มันเกิดได้ไหมไม่ได้นะเมื่อเหตุเมื่อเหตุมีเมืม่อปัจจัยมีมันจึงเกิด แต่ถ้าหากว่าไปปิดทีวีปั๊บเนี่ย ม, นน ม, มันต้องดับแน่นอนใช่ไหมครับมันตะ้องดับแน่นอนนะถ้าขนาดนั้นนะไม่ให้โลภะเกิดนะไฟดับปั๊บอ่าก็ต้องดับอาจจะโทสะเกิดเลยก็ได้กำลังฟังเพลินะนะนะ ก็เรานักศึกษาเราเราศึกษาธรรมะเราก็อย่างนี้เราก็สังเกตดูเราเห็นปุ๊บนะถ้าเราไม่สามารถมีสติใช่ไหมครั้งที่แล้วบอกว่ากระแสทั้งหลายเหล่าใดมีในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นกระแสของตัญหาที่ไหลสืบเนื่องถ้าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นบุคคลจะปิดกั้นกระแสอันนั้นด้วยปัญญาปิดกั้นได้เพราะเห็นวันก่อนบอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจา เห็นสังขารเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยปิดกั้นด้วยปัญญาแต่กระแสเหล่านั้นเนี่ยบุคคลจะ ก, กั้นด้วยสติแต่จะปิดด้วยปัญญาเพราฝันถ้าหากว่าสตินะสติคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารสีลาชาคาเทวตาอุปสมากายคตาม ร, รณานุสติพวกสติเหล่านี้ไม่เกิดนะอย่าคิดว่ากั้นได้แต่ถ้าเจริญแบบภาษาริบนะท่านกั้นอย่างนี้เวลาท่านมีสตินะท่านวันหนึ่งท่านชวนเพื่อน คืออุปติสะกับโกลิตะเนี่ยสองคนเนี่ยไปดูมหระศพกันเขาเป็นลูกเศรษฐีที่สุดใช่ไหมเขาก็ต้องเป็นค่ะเป็นประธานในงานอ่ะสองคนเพื่อนรักนะคนก็ปกติเนี่ยถึงเวลาก็บอกว่าชื่นชมในคนที่ควรชื่นชมนะหัวเราะในสมัยที่ควรหัวเราะเพราะมันมีประเพณีของเขาเสร็จ mm hmm. แ, แล้ววันหนึ่งเขามีครั้งสุดท้ายเ็านั่งดูไปเ็าเพลินนี่นักร้องเดี๋ยวมันก็ตายแล้ว อีกไม่กี่ปีพวกนักร้องก็ตายคนดูเหล่านี้ก็ตายเราก็ตายคิดแต่เรื่องตายให้ไม่สนุกเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเคยหัวเราะเคยสนุกเคยอะไรเนี่ยเคยก็เลยว่าเคยให้พวงมาลัยเนี่ยงานนี้งดงดหม ด, หมดเรื่องทีนี้เพื่อนนั่งอยู่ด้วยเพื่อนอีกคนก็คิดเหมือนกันเลยก็เลยถามว่าทำไมวันนี้งานก็ไม่สนุกหรือยังไงก็บอกว่า พวกนี้จะอยู่กันอีกก็ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วจะมาเถรกอะไรกันอยู่อย่างนี้ก็คิดเหมือนกันก็นเลยออกบวชทั้งคู่เลยนั่นแหละเพราะถ้ามีสตินะสติเนี่ยจะมรณ า, านุสติตรงนั้นจะเป็นเครื่องกัน้นโอ้นี่มันถ้าถ้าเป็นลักษณ ะ, <c oughs> ษณะนี้นะต้องดูว่าเทวทูตมาไหม <c oughs> ถ้าจะมีสตินะต้องนึกแบบเทวทูตสูตร <c oughs> นะเรียกว่าคนมีสตินะโอ้ <c oughs> บุรุษผู้เจริญหน่อยนั้น <c oughs> นี่คนชารานะถึงเราก็ไม่ร่วงพ้นความชาราเหล่านี้ไปได้ ควรแล้วที่เรายังตกอยู่ในห้วงชราเงียเราต้องควรทํากุศลให้มากอันนั้นสติแบบผ่อนที่สุดนะถ้ามรณานุสติไม่เกิดนะอันลักษณะของสตินี่ไม่ใช่แค่โอโหโลภะเกิดผมรู้นะว่าผมเป็นโลภะโทรผมเมายังรู้ว่าเมาเลยถ้ารู้แค่นั้นมันไม่ใช่สติอะไรอันสติต้องเป็นใจกับพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจารานุสติเทวตานุสติแต่ถ้าเป็นสติปฐานนะ เป็นกายาเวทนาจิตตาหรือธรรมานุปัสสนานั้นถ้าเป็นสติปัฏฐานภาพนะถ้าสังเกตสภาพจิตขณะนั้นจิตมีราคะก็รู้ชัดนะฟังไว้นะรู้ชัดว่าจิตมีราคะราคะจิตที่ยังไม่เกิดเกิดด้วยประการใดรู้ชัดด้วยนะที่เกิดแล้วเนี่ยไอราคะอันนั้นจะละด้วยประการใดต้องรู้ชัดด้วยนะการทําลักษณะวิจัยแบบนั้นนะเป็นเรื่องของสติปัฏฐานไม่ใช่ก็โอ้นี่โลภเกิดแล้วนะนี่สติปัฏฐานเกิดแล้ว ถ้ารู้แค่นั้นไม่ต้องศึกษาธรรมะก็รู้เพราะะั้นผู้ที่มีสติในขณะที่ทางตากับทางหูเนี่ยพวกนี้สตินะต้องเป็นไปในพุทธานุสติเป็นต้นธรรมานุสติสังคานุสตินะคำว่าสตินี่ก็คือพุทธาธรรมาสังคาสีราจาคาเทวตานุสติอังางนี้ถ้าคิดอีกในหนึ่งนะนีเทวดาสมมติห้เรากาลังเพลินดูนั่นอะ เทวดามีศรัทธาเราก็มีศรัทธาด้วยสงเคราะห์ได้ไหมขนาดนั้นดูเพลงเพิ่นเพิ่น น, นะสงเคราะห์เทวดานุสติกเทวดาเป็นผู้ที่มีศรัทธาเอ๊ะเราฟังเพิ่นเพิอย่างนี้ศรัทธาเข้าไหนไม่ได้เลยตกศีลน่ะเอาอินทรีย์สังวรศีลก็ตกนั่นแหละอั้นถ้ามีการพิจารณาจริงๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ฟังใช่ไหมเพราะวันก่อนเล่าว่าพระรูปหนึ่งไปเห็นนางรามอยู่ท่านยังเป็นท่ารหารเลย น่นะก็คือในฐานะที่บางส่วนนี่ต้องเห็นอยู่แล้วแต่ทํายังไงเห็นแล้วใจไม่เป็นบาปบางส่วนจําเป็นต้องได้ยินอยู่แล้วได้ยินยังไงใจจริงจะไม่เป็นบาปอย่างเช่นอาของของพระเวลาบางทีท่านเดินทางใช่ไหมถ้าเดินทางเนี่ยสมมติว่าเดินทางโดยรถโดยสารบางคันเขาก็เปิดเพลงอยู่นั่นแหละถามว่าอินทรีสังวรอย่าไปฟังมัณฑิท่านอย่าไปเห็นมันติดก็นั่งอยู่ในนั้นแหละติดติดลโพงนั่นแหละทํำยังไงอะ มันจะต้องนึกถึงเป็นพุทธาธรรมมาสังคาศีราจาคาเทวตานุสติเป็นต้นหรือมอรณานุสติก็ได้เพราะเพลงบางคนนะคนร้องอ่ะตายไปแล้วใช่ไหมกระแสะกระแสะเข้ามานี่ก็เข้าลงไปเรียบร้อยแล้วฮะก็เรียบร้อยไปหมดแล้วอ่ะนั้นคนร้องก็ยังเส็บไปแล้วอ่ะนะตายไปตั้งเยอะแล้วแสดง ว, ว่าท่านชอบกระแสะกระแซะ น, นนะอได้ยินเสียงหบนะ่อยนะ ในยุคสมัยนี้ในเมื่อพระาศาสนามีอายุถึงสองพันหากว่าปีนี่นะครับท่านจะแหวกจากกาวัตถุกาไปได้เนี่ยยากมากยากจริงๆนะครับมันเข้ามาพัวพันโอ้โหเรียกว่ามันสุดๆุดละนะครับไม่เหมือนในสมัยพุทธกาลนี่นะแต่ของมาคิดในลักษณะว่าอัตตะสัมมาปณิทิควรจะเป็นยังไงนะซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าความยากหรืออุปสรรค เหล่านี้เนี่ยมองเป็นเรื่องธรรมดาคือมองว่ายังไงก็มีอยู่แล้วล่ะทีนี้อัตตาสมาปนิที่ว่าทำยังไงเราจะไม่เสื่อมจากพระธรรมเหล่านี้นั่นนะเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากพระธรรมเหล่านี้ในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่คือชีวิตที่เป็นจริงของเราท่านทั้งหลายเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ตรงไหนก็ตามสิ่งที่เราไม่เคยทิ้งเลยนะคือสภาพจิตที่เป็นบุญและเป็นบาป ไปอยู่ตรงไหนก็ตามบุญบาปต้องเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นแน่นอนอัน้นปัญหาที่สําคัญที่สุดนะอาบายก็ยังปิดไม่ได้ใช่ไหมนรกก็ยังปิดไม่ได้เดรัชานก็ยังปิดไม่ได้กุศลก็ไม่ค่อยจะเกิดถ้ามันไปอาบายเนี่ยมันคุ้มกันไหมเพราะนั้นพวกสังเวชวัตถุเนี่ยต้องเจริญค่อนข้างบ่อยมากเพราะถ้าหากว่าเราประมาทมัวเมาเรานั่นแหละเป็นคนที่แช่งตัวเอง เพราะเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเจตนากรรมเหล่านี้ไม่เคยไม่เคยไร้ผลเมื่อไม่เคยไร้ผลเนี่ยอัตตะสมมาเปน็นที่นะชีวิตของเราที่จะมีโอกาสได้พบพระธรรมไม่ใช่ของง่ายนะดงนั้นขณะเหล่านี้เราได้แล้วใช่ไหมขณะมีกี่อย่างขณะมีอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกพระธรรมคําสอนมีกล่าวไว้และเรามีชีวิต ขณะอย่างนี้มีขนาดเดียวเท่านั้นถามว่าโอกาสเหล่านี้เมื่อไหร่จะมีอีกครั้งหนึ่งถามว่าที่จะประจวบเหมาะนะขนาดสามอย่างมีนะพระพุทธเจ้าก็มีพระธรรมก็มีคําสอนก็กล่าวมีเราก็มีมนุษย์แค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเราอยู่กับธรรมะได้วันละกี่ชั่วโมงนะถ้าเอาเป็นรายวันแล้วยีิบสี่ชั่วโมงอยู่กับธรรมะบางท่านได้แค่ชั่วโมงเดียวหรือสองชั่วโมงทั้งวันเลยยีิบสี่ชั่วโมงแล้วถามว่า เกิดมาเนี่ยอายุกี่ปีกี่ปีเนี่ยหปีเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนั้นน่ะมีอยู่กี่ครั้งต่อเดือนเดือนหนึ่งฟังธรรมเอาสิบครั้งใน10ครั้งเนี่ยปีงสามร้าวัน365้าวันฟังธรรมอยู่กี่วันใช่ไหมแล้วโอกาสที่ฟังเท่าไหร่แล้วทั้งชาติของชีวิตของเราเนี่ยเรามีกุศลจิตสามารถเกิดได้กี่ช่วงแล้วในชีวิตทั้งหมดนั้นอ่ะบาเราเอาโลภะมาเทียบนะโทสะมาเทียบโมหะมาเทียบ เราพบไหนพบหน้าเราควรจะไปที่ไหนดีนั่นแหละเราต้องตรงต่อตัวเองจริงๆริงนะว่าถ้าก็คําสอนพระพุทธเจ้าไม่ผิดอยู่แล้วบุญบาปมีผลจริงๆเมื่อมีผลเนี่ยเราสมควรไปพบไหนใช่ไหมตามคําสอนเนี่ยตามก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านหนทางมากล่าวไว้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้ทางที่สุดใช่ไหมตันี้นี่ทางนรกนี้ทางเปรตนี้ทางสุรกายนี้ทางเดรฉานนี้ทางมนุษย์นี้ทางเทวดานี้ทางพรหมนี้ทาง นิพพานแล้วเราขณะนี้กำลังเดินในทางข้อไหนเราก็คำนวณชีวิตของเราเองเสร็จแล้วเมื่อเราพิจารณาเรื่องชีวิตมากๆเข้าการุณาเจติกันจะเกิดขึ้นสงสารตัวเองนะแต่แล้วก็ดูดีว่าเออถึงกะสมมติว่าถึงทั่วไปเขาบอกว่าดีแต่ก็จำเป็นต้องหักห้ามใจเพราะพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในสูตรหนึ่งเขาบอกว่ามีบุคคลหนึ่งเนี่ย ถือภาชนะน้ำหรือน้ำมันเนี่ยนะถือว่าให้ดีนะแล้วถ้ามีคนหนึ่งเนี่ยถือดาบติดตามข้างหลังถ้าหากว่าหยดแม้แต่หยดเดียวคอขาดเต็มพอดีด้วยนะอันขณะเหล่านี้เราได้แล้วใช่ไหมขณะมีกี่อย่างขณะมีอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกพระธรรมคาสอนมีกล่าวไว้และเรามีชีวิต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 นิพพานแล้วเราขณะนี้กำลังเดินในทางข้อไหนเราก็คำนวณชีวิตของเราเองเสร็จแล้วเมื่อเราพิจารณาเรื่องชีวิตมากๆเข้าการุณาเจติกมันจะเกิดขึ้นสงสารตัวเองนะแต่แล้วก็ดูดีว่าเออถึงจะสมมติว่าถึงทั่วไปเขาบอกว่าดีแต่ก็จำเป็นต้องหักข้ามใจเพราะพุทธเจ้ากล่าวไว้ในสูตรหนึ่งเขาบอกว่ามีบุคคลหนึ่งเนี่ย ถือพาชนะน้ำหรือน้ำมันเนี่ยนะถือว่าให้ดีนะแล้วมีคนหนึ่งเนี่ยถือดาบติดตามข้างหลังนะถ้าหากว่าหยดแม้แต่หยดเดียวคอขาดเต็มพอดีด้วยนะเสร็จแล้วไปเห็นคนเขารำอยูนะ่คนที่เราชอบชอบด้วยกันลงังร้ายรำอยู่อย่างงามเลยเนี่ยถามว่าถ้าหยดหกหนึ่งเนี่ยคอขาดจ้อาอยัางไงเพราะในเรื่องของทวาร ทวารต่อไปก็จมูกใช่ไหมทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายสุดท้ายก็ทวารใจก็ไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินีอันมีการรู้ธรรมารมเป็นเหตุซึ่งบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่เพิ่งถูกอากุศลบาปธรรมคืออภิชาและโทมนั์ครอบงำได้จงรักษามนินีจงถึงความสารวมในมนินีเถิด น่นะนนถ้าไม่สำรวมเนี่ยปล่อยจิตให้ไปเป็นบาปเป็นอกุศลเวลามันทุกข์กยาบ่นแล้วกันนั่นแหละเพราะเหตุทำไปแล้วเนาะนะวันนี้ก็ขออนุมโมทนาด้วย